ในรายการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคุณผู้ฟังค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณยิ่งค่ะเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลุกจากผีในป่าช้าดุนะคะสมัยที่คุณยิ่งเป็นหนุ่มค่ะคุณยิ่งบอกว่าอยู่แถวมักกสันที่หลังวัดทัศนารุณสุนทริการาม หรือที่ชาวบ้านชาวช่องทั่วนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวัดสะพานนะคะวัดนี้เนี่ยเคยได้ชื่อว่าผีดุนักหนาขึ้นชื่อลือชาไปถึงประตูน้ำนูน่นสนามเป้ายันทุ่งพญาไทยถนนวิภาวดีหรือชื่อเดิมก็คือซุปเปอร์ไฮเวย์ค่ะที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆตกค่ำก็แทบจะไม่มีรถวิ่งให้เห็นเพราะว่ายังเปล่าเปลี่ยวเต็มทีใครอยู่ที่นั่นก็ถือว่าอยู่แถวชานเมืองแล้วนะคะ นอกจากจะขึ้นชื่อลือชาเรื่องผีดุค่ะเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่บ้านเรือนยังไม่คับข้างเหมือนยุคต่อมายังมีคนเล่านะคะว่าเคยเห็นเปรต ด, ด้วยเปรตที่วัดสะพานนี่อีกต่างหากค่ะจากหมู่บ้านริมถนนราชปรารภ เข้าไปถึงป่าช้าจะมองเห็นหลุมศพระเกะระกะเรียงรายกันเป็นหลายสิบหลุมมีป้ายเขียนชื่อสกุลเอาไว้ง่ายๆต้นไม้ใหญ่น้อยก็ขึ้นร่มครึ้มบรรยากาศแสนเย็นยเยือกน่าวังเวงใจแค่ไหนก็คงจะพอนึกภาพออกนะคะมีคนเห็นเปรตเดินโย่งๆย่งจากป่าช้านั่นแหละคะ่ะบางคนก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงหมาหอนเย็นเยือกหน้าขนลุก ไม่ต้องบอกก็รู้แหละนะฮะว่าหมามันต้องเห็นผีแน่นอนไม่งั้นมันจะโก่งคอหอนไปหาสวรรค์วิมานอะไรถูกไหมคะขณะที่เดินจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวจะกลับบ้านตอนดึกก็ต้องชะ ง, งักกึกค่ะด้วยความสงสัยอะไรบางอย่างเสียงเล็กแหลมบาดหูดังมาฟังเผลอๆเหมือนใครเป่านกหวีดจากที่สูงๆเลยก็เลยเลียวซ้ายแลขวา มองไม่เห็นอะไรจนกระทั่งเสียงบาดใจนั่นเนี่ยมันดังขึ้นอีกก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองค่ะแทบจะช็อกตายในบัตรดลอะมนุษย์นะคะรูปร่างสูงลิ้วเหมือนต้นตาลก็กำลังเดินเยื้องย่างโย่งเย่งเข้ามาหามือสองข้างนี้ก็ใหญ่โตเหมือนใบลานร่างกายเปล่าเปลือยดำเกรียมแขนขาลีบเล็กเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกค่ะตาแดงราวกับแสงไฟ ปากเล็กแหลมเท่ารูเข็มกำลังกรีดร้องเสียงหวีดแหลมบาดลึกลงไปในห่วงหัวใจอสุรกายผู้ที่เคยก่อเวรก่อกรรมกับบุพกากรีทุบตีด่าทอพ่ อ, พอแม่เป็นบาปเวรสาหัสเมื่อสิ้นใจแล้วก็ต้องเกิดเป็นเปรตชดใช้เวรกรรมให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเนิ่นนานจนกว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมนะคะ ทีนี้คุณยิ่งกับคุณกล่อมค่ะซึ่งเป็นเพื่อนเกลอก็เจอดีเข้าเต็มรักเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่เจอเปรตส่งเสียงกรีดร้องหวีดวิวขอส่วนบุญจนต้องอกสันขวัญแขวนแต่ว่าผีที่วัดสะพานนี่ก็เล่นงานสองคนเนี่ยจนไม่กล้าเที่ยวเตะกลางค่ำกลางคืนไปเนิ่นนานทีเดียวคืนนั้นเป็นคืนเดือนเต็มดวงทอแสงสว่างนวล อย่างที่เขาเรียกว่าสว่างจนแทบจะจับมดได้เลยนั่นแหละนะคะคุณยิ่งกับคุณกล่อมบ้านก็อยู่ใกล้กันแถวท้ายป่าช้าแม่อย่าว่าแต่สองคนนี้เลยนะคะแม้แต่คนที่อยู่ย่านเจริญใจกลางเมืองแท้ๆเลยยังอยู่บ้านติดกับป่าช้าวัดดอนอีกนี่นะคะนับประสาอะไรกับแค่ป่าช้าวัดสะพานจะไม่มีบ้านคนทีนี้หลังจากที่ตลอนตลอนไปกับเพื่อนฝูงอีกหลายคน ถึงเวลาแยกย้ายกันแล้วล่ะค่ะย่ำต๊อกเดินกลับบ้านอากาศในเดือนธันวาคมก็เย็นยเยือกแสงจันทร์ส่องสว่างก็ทําให้สองคนเนี่ยเดินเข้าซอยได้อย่างสบายอารมณ์คุณกล่อมถึงกับผิวปากเล่นอย่างคลื้ครืน้นแต่ว่าทันใดนั้นเองค่ะก็มีเสียงหอนนะคะของหมาเนี่ดังแววมาตามสายลมร่างเตี้ยล่ําของคุณกล่อมชะงักกึกพร้อมกับร้องด่าว่าไม่รุ่งจะหอนหาหอกอะไรเอ๊ะหรือว่าเห็นผี เสียงของมันขาดหายเมื่อเสียงหอนเปลี่ยนเป็นเสียงครางงีดงาดนะคะสองคนนี้ก็มองสบปากันอย่างหวาดระแวงแล้วค่ะเอื้อมมือไปตบท้ายด้ามมีดที่สะอาดที่พกมาด้วยที่เอลถ้ามีใครแปลกหน้าที่ปองร้ายแบบไม่รู้ตัวหรือว่าอาศัยทีเผลอก็ต้องเจอกันหน่อยละ แตอะเบื้องหน้าก็คือหลุมศพที่ระเกะระกะกับห่วงซุยขาวพโพลนอยู่ในแสงจันทร์เสียงหมาก็เงียบหายไปสับพสิ่งดูสงบนิ่งเหมือนโลกนี้กลายเป็นโลกร้างไปโดยสิ้นเชิงคุณกล่อมก็ร้องออกมาแบบไม่เป็นคําไม่เป็นภาษาบอกเอ้ยยิ่งยิย่งเองเห็นอะไรไหมนัน่นนัน่นนู่นนู่อยู่ๆคุณก ล, ก, กล่อมก็กลายเป็นคนติดอ่างไปดื้อๆค่ะ คุณยิ่งก็หันไปมองก็เห็นมันยืนนิ่งอ้าปากท้างในตาลืมโพลง่งจ้องเขม่งไปที่อะไรบางอย่างเหมือนถูกสะกดทำให้คุณยิ่งมองตามสายตาไปอย่างวนง ง, งและแล้วสิ่งที่ได้เห็นนะคะคุณพระช่วยคุณยิ่งบอกว่าเห็นภาพที่ไม่มีวันลืมเลยนั่นคือคนกลุ่มใหญ่ กำลังนั่งล้อมวงอยู่บนหลุมศพข้างๆห่วงซุยแสงจันทร์ทําให้เห็นร่างดําทะมึนเหมือนตอตะโกแต่ว่าในตาเนี่ยแดงก่ำเหมือนแสงไฟกําลังจ้องคำเหม็งมาทางสองคนนี้ก่อนจะค่อยๆลุก ย, ย, ยืนนะคะอย่างเชื่องช้าโดยร่างทั้งหมดเนี่ยยืดสูงขึ้นทีละนิดทีละนิ ด, ลนดแล้วก็สูงขึ้นราวกับว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดท่ามกลางม่านตาอันพร่าพรายเต็มทีไม่ต้องรอ ให้คุณกล่อมพูดอีกเลยนะคะคุณยิ่งบอกเพนโว้ยแค่นั้นแหละนะคะคุณกล่อมเนี่ยร้องจ้าเลยคุณยิ่งก็กระโจนพรวดนําหน้าแหววเสียงเพื่อนวิ่งพลางด่าพลางล้มลุกคลุกคลานท่ามกลางเสียงหมาเห่ากันเกลียวกราวโอ้กว่าจะถึงบ้านก็เล่นเอาเหนื่อยแทบสิ้นใจคุณกล่อมเนี่ยสรุปว่าจับไข้หัวโกรนนะส่วนคุณยิ่งเนี่ยต้องพาให้พ่อเนี่ยไปรถน้ำมนต์ต้องอ่าต้องให้พ่อเนี่ยพาไปรถน้ำมนต์ที่วัดนะคะคุณยิ่งบอกโอ้โ oh, หนึกถึงทีไรเนี่ย ยังขนลุกไม่เคยหายเลยนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเจอจังเจอจระกันนะคะสมัยก่อนบีมองว่ากรุงเทพก็คงจะน่ากลัวไม่น้อยเลยทีเดียวแม้ว่าในปัจจุบันนี้ความเจริญมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนานาที่เจริญรุ่ดหน้าไปแต่ถ้าหากว่าเราลองมองย้อนกลับไปนะคะซึ่งกว่าจะเจริญขึ้นมาได้ขนาดนี้กรุงเทพก็เป็นป่าเป็นทุ่งนา ความน่ากลัวก็ไม่ต้องบรรยายหรอกนะคะคงจะเหมือนที่ต่างจังหวัดในดินแดนที่อาจจะธุระกันดารความเจริญยังเข้าไม่ถึงยังไงยังงั้นค่ะอเผอิญว่าบีเองก็ไปเจอเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งบีอ่านดูแล้วเนี่ยก็น่าสนใจพอสมควรก็เลยขออนุญาตนํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องของผีบนเกาะกลางลําน้ําปิงสมัยก่อนนะคะแม่น้ําปิงแถวอํเาเภอบรนพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มีความกว้างมากค่ะแล้วก็จะมีเกาะ กลางน้ําซึ่งผู้คนส่วนมากก็จะประกอบอาชีพทางการค้าขายริมแม่น้ําเพราะว่าสมัยก่อนความเจริญการขนส่งอยู่ทางน้ํามากกว่าเนื่องจากความเจริญเนี่ยไม่มากนากัก น, นะคะบางทีในบางครั้งค่ะเด็กๆทุกคนก็ชอบมาเล่นน้ํากันที่บริเวณริมแม่น้ำก็มักจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างลอยมาตามลําน้ำบ้างบางทีก็เป็นศพลอยน้ํามา ส่วนมากที่เห็นถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะนอนหงายผู้ชายก็จะนอนควม่มลอยอืดขึ้นมาส่งกลิ่นเน่าเหม็นคุ้งเชียวเมื่อลอยผ่านมาที่บัรพ์ค่ะก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะลากร่างอันไร้วิญญาณไปฝังไว้ที่บริเวณท้ายเกาะกลางแม่น้านะคะหลาต่อหลายศพค่ะก็มีมาช้านานแล้วจนเป็นที่เรื่องชื่อลือชาถึงความน่ากลัวแล้วก็บางทีกลางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากเกาะ ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองด้านนะคะมีอยู่วันหนึ่งค่ะลูกจ้างร้านค้าที่อยู่ริมน้าได้ลงมาล้างชามที่แพริมน้ำหลังจากล้างเสร็จก็ขึ้นไปทำงานบ้านปัดกวาดเช็ดถูอยู่หลังบ้านนั่นแหละนะคะแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือผู้หญิงคนนี้มีท่าทางแปลกๆเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ ตาคว้างไม่ศบตาคนลักษณะเหมือนคนโดนผีเข้าเจ้าของบ้านก็เลยให้ไปตามหมอผีมาเพื่อจะไปไล่ออกซึ่งผีที่เข้าก็คือผีที่อยู่บนเกาะนั่นเองค่ะหมอผีถามว่าทำไมมาเข้าเขาล่ะมันบอกว่าชอบผู้หญิงคนนี้มันจะเอาไปอยู่ด้วยหมอผีก็บอกว่าไม่ได้หรอก พร้อมกับใช้วิชาที่เรียนมาเนี่ยทำการขับไล่เสียงร้องโหยหวนดังขึ้นราวกับเจ็บปวดจนหาประมาณไม่ได้นะคะจนทนไม่ไหวมันก็เลยบอกว่ากูจะออกแล้ววันนี้ใครอย่าลงเล่นน้ํานะถ้าใครลงเล่นน้ำเนี่ยกูจะเอาชีวิตมันหลังจากที่กล่าวจบค่ะมันก็ออกจากร่างผู้หญิงไปเรื่องราวก็ทํำท่าจะจบลงด้วยดีแต่ว่ามันไม่จบอยู่แค่นั้นค่ะพอบ่ายคล้อยแล้วอากาศยามนี้นี่แดดร้อน แดดที่ร้อนๆเนี่ยก็เริ่มอ่อนลงประกอบกับน้ำช่วงนี้ลงด้วยก็เลยทำให้หาดทรายเนี่ยขึ้นอยูอ่บริเวณกลางแม่น้ำพอดีนะคะน้ำบางช่วงกระตื้นเขินปรากฏว่ามีเด็กทั่วไปเนเล่นน้ำวัยรุ่นก็มีค่ะตามประส า, านั่นแหละก็มีลูกชายเจ้าของร้านยาพาเพื่อนจากกรุงเทพไปเที่ยวบ้านแล้วก็ลงเล่นน้ำกันด้วยความสนุกสนานโดยไม่ได้คิดถึงภัยที่มองไม่เห็นค่ะกาลังจะคลืบคลานมา เพื่อนคนหนึ่งของกลุ่มเกิดตะคริวกินค่ะก็เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกชายร้านยาก็เลยว่ายน้ำเข้าไปช่วยพามาขึ้นฝั่งและตัวเองก็เล่นน้ําต่อขณะที่ทุกคนกําลังสนุกสนานกับการเล่นน้ําอยู่นั้นปรากฏว่าลูกชายเจ้าของร้านยาจมหายไปต่อหน้าต่อ ต, อตาท่ามกลางความตกตะลึงของเพื่อนๆนที่เห็นเหตุการณ์หลังจากได้สติต่างก็ตะโกนหวีดร้องให้คนช่วยแต่ก็สายไปซะแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะแม่น้ําเชี่ยวมากยากต่อการช่วยเหลือ แต่ว่าทันใดนั้นเองสิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท้องฟ้าที่เคยสว่างด้วยแดดยามบ่ายแต่ว่าขณะ น, นี้มีเมฆฝนที่มืดครึ้มดำทมึนอย่างน่ากลัวพร้อมกับลมพายุฝนก็ได้ตกกระหน่ำอย่างรุนแรงอย่างไม่ลืมหูลืมตานะคะพร้อมกับร่างร่างหนึ่งค่อยๆสูญหายแล้วก็จบชีวิตลงพร้อมกับสายน้าอันเชี่ยวกรา พายุฝนที่กระหน่านะคะคืนนั้นนีไฟฟ้าก็ดับทั้งคืนพร้อมกับหัวใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่แทบจะดับสลายไปพร้อมกับลูกเนื่องจากว่าบ้านนี้มีลูก4ี่คนแต่ว่ามีผู้ชายแค่คนเดียวนั่นเองค่ะจวบจนฟ้ารุ่งของวันใหม่การค้นหาศพก็ดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนต้องทําวิธีตามคนเก่าคนแก่ที่บอกต่อกันมาให้ยิงปืนลงแม่น้ําเพื่อให้ผีน้ําคลายศพออกมา หลังจากนั้นศพก็ลอยขึ้นปริ่มน้ำบริเวณคุ้งน้ำข้างหน้านี่เองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยประมาณ30ปีที่ผ่านมานะคะมีอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังค่ะเป็นประสบการณ์จากคุณดวงใจนะคะเป็นเรื่องของสิทธิ์กับอาจารย์ใหญ่มาเล่าประสบการณ์ขนหัวลูกจากวิญญาณของผู้ห่วงใยนะคะคุณดวงใจบอกว่ามีอาชีพรับราชการค่ะ เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลประจําก็คืองานสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะวิชาที่ว่านี้ว่าด้วยการศึกษา ร, ร่างกายของมนุษย์ทุกๆระบบในร่างกายโดยภาคปฏิบัติก็ได้เรียนกับผู้ที่อุทิศ ร, ร่างกายที่เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่นั่นเองทุกคนก็ทํางานด้านนี้ด้วยความรักแล้วก็ศรัทธาต่อวิชาชีพ แล้วก็เคารพนับถือต่ออาจา ร, รย์ใหญ่ทุกๆ ท, ท่านที่ได้ร่วมบริจาคร่างกายให้เป็นวิทยาทานต่อลูกหลานผู้ศึกษาทางด้านการแพทย์ของประเทศไทยทุกๆคนค่ะโดยธรรมชาติแล้วนะคะก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ค่ะว่ากลัวกับสิ่งที่ไม่เห็นมากกว่าสิ่งที่เห็นยุดลงหน้าแต่ว่าสำหรับคุณดวงใจบอกว่าไม่ลบหลู่หรือว่าท้าทายใดๆ ศรัทธาเท่านั้นที่ทําให้ดิฉันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขแล้วก็กับงานของตัวเองที่ได้ทํามาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าความเสี่ยงที่ได้รับจากการที่ต้องอยู่ในห้องเรียนจะมีผลต่อสุขภาพของผู้สอน <c oughs> เช่นดิฉันมากกว่านักศึกษาเสอีกในแต่ละปีคุณดวงใจบอกได้ข่าวการเสียชีวิตของผู้ที่ร่วมอุดมการณ์สอนในวิชาเดียวกันเสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งเกือบทุกๆปี ดิฉันเองก็คงไม่พ้นเหมือนกันตึกเรียนที่ดิฉันทํางานเป็นอาคารอายุ10ปีเศษห้องเรียนก็เป็นห้องเรียนแบบปฏิบัติการกาวิภาคศาสตร์ก็จะถูกจัดให้อยู่ในชั้นบนสุดของอาคารก็คือชั้น6ซึ่งเป็นห้องถงยาวตลอดเลยกินเนื้อที่เกือบครึ่งหนึ่งของชั้นนั้นประกอบด้วยห้องเรียนห้องดองอาจารย์ใหญ่แล้วก็ห้องเตรียมสารเคมีดิฉันมาทํางานตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านดึกๆ เป็นประจำทุกวันจนรู้สึกว่ามันชินแล้วถ้าไม่มีวิชาสอนหรือว่าติดภารกิจที่ไหนดิฉันก็จะใช้เวลาอยู่ในห้องเรียนอาจารย์ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ต้องมาเตรียมผ่าแล้วก็ชำละร่างกายของอาจารย์ใหญ่เพื่อใช้สอนนักศึกษาสาขาอื่นๆที่ไม่ใช่นักศึกษาแพทย์เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชานี้ห้องเรียนด้านนอกอาคารด้านหนึ่งก็จะติดกันกันกบทะเลค่ะ มองเห็นผืนอ่าวสีฟ้าสวยงามสายลมพัดมาเย็นสบายเวลานักเรียนนักศึกษาได้เรียนไปเพื่อไม่ให้เครียดก็เปิดหน้าต่างมองดูวิวไปบรรเทาอาการเบื่อเรียนได้บ้างดิฉันมักจะอยู่คนเดียวเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเวลาก็ไม่ค่อยจะตรงกันใครว่างก็มาทำต่อเรื่องขนหัวลุกเริ่มจากตรงนี้เองค่ะนั่นคือคุณดวงใจบอกว่าดิฉันได้รับการทักทายจากสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ท, ที่ยังเช้าอยู่แท้ๆโดยเริ่มจากกลิ่นอับๆตามด้วยเสียงโลหะกระทบเตียงที่อาจารย์ใหญ่อยู่เสียงนั้นมันทําให้ดิฉันมือสั่นนิดๆถึงแม้ว่าเสียงที่ดังมาจากเตียงโลหะนั่นเนี่ยจะดังไม่มากนักก็ตามจนดิฉันต้องหลุดออกปากว่าอาจารย์ใหญ่คะกรุณาอย่าทาเสียงดังนะคะหนูทางานไม่ได้คะ่ะ สิ้นเสียงค่ะทุกอย่างก็เงียบสนิทได้ยินแค่เสียงลมพัดเข้ามาในห้องเท่านั้นกลิ่นก็จางลงไปดิฉันกลืนน้ำลายติดติดกันระบายลมหายใจอย่างยืดยาวอย่างโล่งอกนอกจากอาจารย์ใหญ่แล้วนะคะนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ก็ต้องเรียนจากโครงกระดูกมนุษย์จริงๆด้วย ซึ่งตัวของคุณดวงใจเองที่เป็นครูสอนเนี่ยก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้กับนักเรียนไปเรียนจากหุ่นจําลองสักเท่าไหร่หนึ่งนะคะเพราะว่าต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศซึ่งก็มีราคาแพงมากค่ะงบประมาณที่ได้ก็ไม่ค่อยจะพอเรื่องความสวยความงามแล้วก็การแสดงรายละเอียดไม่สามารถเทียบได้กับโครงกระดูกมนุษย์จริงๆซึ่งก็ค่อนข้างหายากในปัจจุบันค่ะ เมื่อต้นปีคุณดวงใจบอกว่าได้ไปติดต่อยังมหาวิทยาลายัยชื่อดังแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเพื่อขอความอนุเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ครั้นได้รับคําตอบตกลงมานะคะก็เดินทางไปพร้อมกับเพื่อนแล้วก็คนขับรถตู้รวม4ี่คนเพื่อไปรับอาจารย์ลงมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่คุณดวงใจสอนอยู่เนี่ยนะคะเริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะเพื่อให้ถึงที่หมายก่อนค่ําจนกระทั่งเข้าเขต จ, จังหวัดลําปาง ก็ได้ถูกตำรวจทางหลวงเรียกให้หยุดบอกว่าคนขับรถของมหาวิทยาลัยขับเร็วกว่ากำหนดแต่คุณดวงใจมั่นใจเลยนะฮะว่ารถของเราเนี่ยขับไม่เร็วมากถึงขนาดที่ตำรวจบอกตำรวจคนนี้คงไม่อยากจะแจกใบสั่งสักเท่าไหร่แต่ก็อยากรับบางอย่างมากกว่า ทุกคนก็เลยแสดงบัตรข้าราชการว่ากำลังจะไปไหนไม่อยากจะถึงจุดหมายมืดค่ำแล้วก็ยืนยันว่าคนขับรถเนี่ยไม่ได้ขับเร็วดังที่ถูกกล่าวหานะคะเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังตำรวจนายนั้นกำลังหันหน้าอ้าปากโต้เถียงคุณดวงใจซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังก็กลับอ้าปากค้างตาเบิกโพลงฉายแววสยดสยองจนเห็นได้ชัดค่ะ รีบโบกไม้โบกมือเป็นสัญญาณบอกให้รีบไปโดยไม่ได้พูดจาอะไรเลยแม้แต่คำเดียวซึ่งคุณดวงใจเองก็บอกงงเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้คิดอะไรมากคาดเดาไปว่าตํารวจคงจะเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์จากพวกเราแน่เพื่อนๆก็เลยคุยกันค่ะบอกแปลกว่าตํารวจไม่ได้สบตาเราด้วยซ้ำแต่คงจะเห็นอะไรบางอย่างข้างหลังเรามากกว่าเพราะหน้าตาซีดเซียวแถมผงะแบบคนตกใจสุดขีด เมื่อถึงปลายทางก็ได้พักค้างคืน1คืนซึ่งตอนเช้าก็เข้าไปติดต่อเรื่องเอกสารปล่อยให้คนขับรถและก็ผู้ช่วยขนกล่องโครงกระดูกมนุษย์ขึ้นรถตู้เมื่อคุณดวงใจกลับมาก็เห็นคนขับและก็ผู้ช่วยยืนหน้าซีดเผือดอยู่นอกรถไม่ยอมขึ้นไปนั่งรอเปิดแอร์เย็นๆนะคะคนขับรถเล่าค่ะว่า พอคุณดวงใจและก็เพื่อนเข้าไปทําธุระในตัวตึกได้สักครู่แกก็จะเปิดท้ายรถเพื่อเอากล่องเรียงไว้ให้เรียบร้อยปรากฏค่ะว่าเปิดประตูไม่ออกพยายามหลายครั้งก็ไม่สําเร็จทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นรถใหม่ก่อนเดินทางก็ตรวจเช็คสภาพมาอย่างดีคุณดวงใจก็เลยถามว่าเอากล่องเข้าไปวางในรถได้ยังไงละ่ะคนขับบอกว่าจุดทูปปักไว้ที่สนามหญ้าหน้าอาคารก่อนแล้วเปลี่ยนใจที่จะยกกล่องเข้าทางด้านข้างแทนด้านหลัง แกบอกว่าประตูด้านข้างเปิดออกอย่างง่ายดายเสร็จแล้วก็ลองไปเปิดประตูท้ายรถอีกครั้งปรากฏว่าเปิดได้สบายๆค่ะคุณดวงใจกับเพื่อนพร้อมกันหัวเราะทันทีแล้วก็บอกว่าอาจารย์แค่ทักทายนะก็ไม่น่าจะเอากล่องเข้าประตูท้ายนี่นาะอาจารย์ท่านอยากนั่งหน้ารถไปเที่ยวทะเลด้วยกันอ่นี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่ นะะคลุกคลีอยู่กับอ า, อาจา ร, รย์ใหญ่นะะ่ะก็คือเป็นครูที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกายวิภาคนั่นเองนะคะเราจะมาทิ้งท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานงูยักษ์คุณผู้ฟังเคยได้ยินได้ฟังไหมคะเรื่องราวที่เกี่ยวกับตำนานงูยักษ์ในสมัยสงครามโลก ทหารญี่ปุ่นถูกขมือบสองคนในครั้งเดียวที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ฟังหลายคนนะฮะซึ่งบีเชื่อ ว, ว่าอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคอนดามากันทางสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือตามเว็บไซต์ต่างๆที่มีกันอยู่อย่างแพร่หลายนะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเองก็มีตำนานลี้ลับเกี่ยวกับงูยักษ์เช่นกันซึ่งมีขนาดมหึมาไม่แพ้อนาคอนดาในภาพยนตร์เลยทีเดียวค่ะ เพราะที่ทราบมางูตัวนี้สามารถขมือบคนได้ทีละสองสคนอย่างสบายๆเลยทีเดียวและสถานที่ที่กำลังจะกล่าวถึงนี้จะเป็นที่อื่นไปไม่ได้นอกจากจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้อันเขียวชอุ่มอยู่ตลอดทั้งปีและมีแม่น้ำแควอันคดเคี้ยวไหลผ่านทาให้ที่นี่ได้รับสมญานามนะคะว่าเป็นป่าอเมซอนแห่งเอเชียค่ะ คุณลุงปรีชาของสถานีรถไฟกาญจนบุรีผู้เติบโตและก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กาญจนบุรีมาตลอดทั้งชีวิตปัจจุบันคุณลุงรับหน้าที่เป็นสันทนาการบนรถไฟขบวนกรุงเทพน้ำตกไซโยกในช่วงเวลาที่เป็นทริปพิเศษวันหยุดนะคะที่มีผู้โดยสารเข้ามาเที่ยวชมไซโยกคุณลุงได้เล่าไว้บอกว่าเมื่อประมาณปี2485ของประเทศไทย ตอนนั้นประเทศไทยก็ตกอยู่ในสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่2 อ, อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะเนื่องจากว่ามีกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมากเพื่อทำที่มั่นในการโจมตีทหารอเมริกันและก็พันธมิตรในเขตภาคพื้นเอเชียค่ะด้วยภูมิภาพประเทศที่เป็นป่าดงดิบนาทึบทำให้ทางกองทัพญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความปลอดภัยเพื่อการหลบลี้จากกองกาลังฝ่ายตรงข้าม ทหารญี่ปุ่นนั้นโหดร้ายมากคุณผู้ฟังใช้เฉลยศึกที่จับมาได้เนี่ยสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านลําเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้อย่างสะดวกซึ่งว่ากันว่าก่อนจะสร้างได้สาเร็จนะนั้นเนี่ยต้องสังเวยชีวิตเฉลยศึกไปหลายหมื่นคนจนมีคําพูดเปรียบเรยกันในปัจจุบันนี้นะคะว่าหนึ่งไม้หมอนรถไฟแทนหนึ่งชีวิตที่เสียไปกันเลยทีเดียวหากมีโอกาสลองนับดูนะคะว่าเยอะแค่ไหนที่นี้มาถึงเรื่องของหลัก เรื่องหลักๆของเรากันบ้างเป็นเรื่องตำนานงูยักษ์ที่เคยมีคนพูดถึงคะโดยคุณลุงเล่านะฮะว่าสมัยนั้นทหารญี่ปุ่นเนี่ยได้ใช้ใจกลางป่าของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่มั่นในการทําสงครามค่ะแน่นอนว่าต้องลุกล้าเข้าไปในเขตของสัตว์ป่าที่อยู่ลึกจนแทบจะไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนเคยเข้าไปสำรวจมาก่อนทั้งในถ้าซอกหินต้นไม้ต่างๆนานาก็ถูกดัดแปลงทําเป็นป้อมปราการพร้อมรบและเมื่อตกกลางคืน ก็ได้มีการจัดเวรยามออกลาดตระเวน ร, รอบๆฐานที่มั่นโดยแบ่งเป็นกะ10คน15คนบ้างคอยลาดตระเวนในทุกค่ำคืนนะคะแต่แล้วบางคืนค่ะกองลาดตะเวนก็กลับออกมาไม่ครบหายไปทีละ3คน5คนเมื่อออกค้นหาไม่พบก็เลยคิดว่าเออเป็น่าศึกแอบลักลอบเข้ามาโจมตีทีนี้ก็เลยมีการจัดเวรยามใหม่ให้เข้มงวดขึ้นอีกเท่าตัว แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเช่นเคยคือมีทหารหายไปสองคนต่อครั้งจนผู้บังคับบัญชาเนี่ยทนไม่ไหวค่ะหงุดหงิดพอถึงตอนเช้าก็เลยจัดกำลังหลายร้อยออกค้นหาทหารที่หายไปจนในที่สุดนะคะก็พบกับถ้ำแห่งหนึ่งเป็นโพรงลึกมืดและบรรยากาศหนาวเย็นก็เลยส่งทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปดูส่งทหารเข้าไปในนั้น ฝ่ายที่เฝ้าดูอยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงปืนขึ้น 1-2 ครั้งก็เลยทําให้คิดว่าเออเจอฆ่าสึกแน่นอนก็เลยส่งทหารเข้าไปอีกกลุ่มหนึงทันทีค่ะผ่านไปไม่กี่อืดใจทหารเหล่านั้นวิ่งกลับออกมาอย่างไม่คิดชีวิตพลางร้องเสียงดังเอะอะโวยวายบอกว่าสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดผู้บังคับบัญชาแล้วก็เหล่าทหารที่รออยู่ข้างนอกต่างพากันแตกตื่นค่ะในที่สุดก็มีคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าให้เอาระเบิดมาระเบิดถ้านี้ซะ ระเบิดจำนวนมากถูกส่งมาระเบิดปากถ้ำปริศนาดังกล่าวโดยเริ่มกดชนวนระเบิดไล่ลงไปเรื่อย ๆ, ๆตั้งแต่ปากถ้ำจนถึงภายในถ้ำอย่างระมัดระวังและแล้วค่ะคุณผู้ฟังภาพที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เผยอยู่ตรงหน้าเมื่อพบกับงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์มีความยาวหลายสิบเมตรความกว้างนี่ขนาดตู้กับข้าวที่อยู่ในครัวเลยนะคะกลังกระเสือกกระสนผ่านร่างอันสบักสบอมเลื้อยออกจากถ้ ทหารญี่ปุ่นไม่รอช้าค่ะจัดการกระหน่ายิงแบบไม่ยั้งไปยังงูยักษ์ต้นเหตุของการหายตัวของเหล่าทหารลาดตะเวนก่อนที่มันจะสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นทหารญี่ปุ่นก็ได้หั่นเนื้อของงูยักษ์ออกเป็นชิ้นชิ้นเพื่อความสะใจและเป็นการล้างแค้นให้กับผู้ที่ถูกมันฆ่าชีวิตไปอย่างสาสมนะคะหลังจากเหล่าทหารสำรวจถ้ำโดยละเอียดค่ะก็พบว่ามีโครงกระดูกเป็นจํานวนมากไม่ต่ํากว่าหลักร้อยเลยแหละค่ะทั้งคนและก็สัตว์ใหญ่ เรื่องราวทั้งหมดจึงเป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนปัจจุบันที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณลุงได้เล่าเพิ่มเติมว่าเรื่องดังกล่าวก็ได้ยินมาจากปากต่อปากเหมือนกันแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ข้อมูลบางอย่างอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างตามคนเล่าต่อกันมาและเมื่อมีนักท่องเที่ยวนะคะทราบว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ก็มักจะถามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจนอดคิดไม่ได้เหมือนกันค่ะว่า ป่าดวงดิบอันอุดมสมบูรณ์แบบนั้นจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่มากมายนอกเหนือจากงูยักษ์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ฟังในชาแนลพระเจอผีนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังถ้าชอบคลิปของบีกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยแล้วก็อย่าลืมเด็ดคาดเลยอันนี้หัวใจหลัก กดติดตามช่องพระเจอผีให้กับเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ให้เราอยู่กับคุณผู้ฟังไปตลอดนะคะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะขอบคุณกับการติดตามรับฟังเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ